ในหลื่ของกรรมการกระทำกรร ม, มสัทธาเชื่อในการกระทำของตัวเองนะว่าเราทำดีมันก็ต้องดีทำความรู้สึกตัวมันก็ต้องรู้สึกนะเชื่อในการกระทำของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องมีผลละ่ะวิปากสาัทธา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 ในทางจงกรมในที่ปฏิบัติแต่พอเลิกปฏิบัติแล้วเนี่ยปล่อยทิ้งเลยลืมตัวหมดเล ย, เยไม่ไม่ค่อยรู้ตัวนั่งกินน้ปะนะก็คุยกันนั่งกินข้าวก็อร็ดอร่อยนะไม่ค่อยรู้ตัวนะฉะนั้นเราต้องใส่ใจช่วงช่วงในกิจกรรมนอกรูปแบบอาตมาก็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 พอเลิกปฏิบัติเลิกจากคอรดแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วไม่ไม่ได้ปฏิบัติละปฏิบัติบ้บางตอนเชา้าตอนเย็นวันละสามสินาทีวันละชั่วโมงแค่นั้นแหละตั้งใจแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปงานปฏิบัติทำยอมเป็นไมืมจะค่อยไปทำในงานปฏิบัตินู่นแหละอยู่ที่วัดที่บ้านก็ไม่ต้องไม่ได้สนใจเราไปทำอย่างอื่นแต่มาคิดอย่างนั้น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 คือเก็บอารมณ์คือปฏิบัติให้ต่อเนื่องแค่นั้นเองนะไม่ไม่ใช่มันเป็นศัพทบ เ, เป็นคําพูดเฉยๆหรอกคําคว่าเก็บอารมณ์มันคือว่าเราอยู่คนเดียวทําคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวอไม่พูดไม่คุยกับใครอไม่มีหนังสือไม่มีโทรศัพท์ไม่ไปไหว้พระไม่ไปสวดมนต์ปฏิบัติล้วนๆเลยนะยกมือเดินจงกรม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 แล้วก็มีความสุขบ้างอ น, น, นะถ้าเป็นธรรมชาติธรรมดานะก็คือถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราก็จะคิดเหมือนกันนะนะนะอัตมาก็คิดเหมือนโยมนั่นแหละนะตอนที่ไม่เข้าใจนะคิดว่าเรายัางอายุยังน้อยอยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะนะบวชไปก็ถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะนะ่ะมันก็คงจะอยู่ยากอยู่นะอืม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 ถ้าเราคิดอย่างนั้นน่ะมีคิดอย่างนั้นหลายคนไหมครับคิดเหมือนกันถ้าก็ายมคิดอย่างนั้นแหละถึงได้แต่งงานใช่ไหมละ่นะก็ต้องสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ก่อนไม่งั้นเรามนุษย์ก็จะสูญพันธะุ์ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นะถ้าถ้าเขายมคิดเหมือนตามาห ม, มดถ้าทุกคนคิดเหมือนตาม า, มามเนี่ยงคงไม่มีคนสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์หรอกนะนะเราก็จะสูญพันธุ์กันไปหมดนั่นะนะเราต้องขอบคุณ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 นะทีนี้มันมันทำด้วยความเฉยๆอะ่ะทาไม่แย่ไม่ได้ทำด้วยความอยากนะมันเดินก็เดินเฉยๆยกมือก็ยกเฉยๆหลังจากที่มันปล่อยวางเนี่ยนะทานโยมตั้งแต่ฉันข้าวเช้าเสร็จเก้าวมงเช้าเนาะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะ ประมาณสองสามชั่วโมงนี่แหละนะวันนั้นก็แปลกอยู่มันไม่ง่วงเนาะพอมันผ่านความง่วงมันผ่านอะไรมาหลายวันจนมากจะความคิดมากกว่านะพอมันหลายวันแนละ้วยี่สบกว่นนะว า, าวันแนละ้วเนี่ยก็เดินเล่นๆ เ, เ, เดินไม่เอาอะไรอะ่ะช่างหัวมันอืรู้ไม่รู้ก็ช่างหัวมันนะเคยเห็นไหมช่างหัวมันอ่ะ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 มันมันเข้าใจมันรู้ว่าอ้ถ้าถ้าเราไม่สัมผัสตัวนี้เนี่ยนะชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้นะคงจะเป็นเหมือนโยมเนะคงจะคงจะมีลูกหลายคนแล้วแบบนี้เนะมือจะได้ถ้าถ้าไปใช้ชีวิตทางโลกอนะ่นะนะคงจะมีความสุขแบบกับภรรยากับลูกับทํางานหาเลี้ยงลูกจะแบบนี้นะแต่ว่าพอเข้าใจอย่างงั้นปุ๊บมันก็เลยตัด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 ที่ที่อยู่ได้เพราะว่ามันนี่แหละที่ที่อยู่เป็นพระได้ไม่ได้อยู่ก็ได้เพราะว่ า, านะ่ะมียศมีตาแหน่งมีความรู้มีความสามารถหรือว่ามีอะไรเหมือนพระที่เราเคยไปกราบไปไหว้ไ ป, าไปทาบุญแล้วนะญนะาติโยมตมามอยู่ได้เพราะว่าความรู้สึกตัวนะเม่ได้อยู่ได้เพราะว่ า, เ, าเพราะว่ามีได้มีตาแหน่งอะไรมี ในเยื่องอย่างนัตมาก็ไม่คิดที่จะอไปเรียนอเป็นมโหงมหาเป็นออะไรหรอกนะก็มีคนแนะนําอยู่ตอนนั้นก็อายุไม่มากก็ว่าไปเรียนไว้เพื่อเขาจะได้ให้เป็นพระครูเจ้าคุณบ้างอัมตอมาก็ไม่ได้ปรารถนาแบบนั้นนะก็เลยอยู่แบบนี่แหละอยู่พายมปฏิบัตินะไปต่างประเทศนะ สิปีกลับมาก็เหมือนเดิมอยู่นะโยมญาติพวกพระเอ้าไปอยู่ต่างประเทศทำไมกลับมาเหมือนเดิมอยู่คือมันก็เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าเราคนเดิมใ่ห้คนเก่าคือคือมันไม่ได้มันไม่ได้แตกต่างนะแม่จียุหินคนรู้สึกเราไม่ได้แตกต่างแต่ว่าภูมิประเทศสภาวะอากาศผู้คนมันอาจจะแตกต่างใช่ไมอย่างญาติโยามเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน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 ฝรัลล่งก็มือทุกเหมือนกันทุกมากกว่าเราด้วยนะคือคือคือเราไม่ไปไม่ไปอยู่กับเขาอะเรามีที่อยูนะ่เรามีความรู้สึกตัวเรามีสติเรามีปัญญาไปอยู่ไหนมันก็มันก็เหมือนเดิมนะเราไม่คิดว่ามันจเจริญกว่าประเทศเราหรอกอเมริกามันไม่ได้ดีกว่าเมืองไทยหรอกนะไม่คิดอัตมาไม่ได้ว่า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 แต่มาจึงไม่ค่อยได้อยู่ในสังคมในอยู่กับที่เท่าไหร่มาเมืองไทยนะ่ยไม่ค่อยได้อยู่เขาก็อยากอยูอย่ประจํแหละนว่าอยู่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้อะไปเฝ้าวัดให้เขาเฉยก็ไม่รู้จะไม่มไม่มีประโยชน์เนาะก็เลยเออถ้ามาอยู่กับพวกโยมพวกปฏิบัติเนี่ยพออยู่ได้อยู่ถ้าไปอยู่กับชาวบ้า น, นเนี้ยเนี้ยจะให้เราไปสวด น, นั่นสวด น, นี่ไปทำนั่นทำนี่นอ่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 แต่เราต้องใจเราต้อง้งมว่าเราจะปมต้องมีศรัทธานั่นละนั่นละปืตรงนี้ค่ะอะรได้กิจกรรมอะไรที่นเรือใช้ความคิดบ้บ้านร้านคร้านช่างอะไรมันได้แล้วเราก็จได้ามุดนั่นแหละมใชเรียนจงโกงหรือลู่ายเราต้องสร้างศรัทธาให้กับตัวเองนะอย่าโยมคนอื่นนะถ้าทำได้มันโยมทุกคนก็ดี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 ไม่ใช่ว่ามาคนเดียวคนหนึ่งไม่เอาด้วยนะก็ลำบากอยู่ต้องดึงมาด้วยกันนะต้องให้ให้เห็นให้เห็นพร้องต้องกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งปฏิบัติคนหนึงไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติแล้วจะยุ่งเหมือนกันนะถ้าถ้ามาด้วยกันก็ดีนะเข้าใจไหมนะเข้าใจนั่งรับลนะจป <c oughs> ันษาเองภามเปี๊ยง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 ใช่หลวงพ่อก็ไปสอบบรมนะป่ปายปอยู่พระแสงเทียนนะมันหลายสำนักกว่าจะได้มันหลายสำนักนะอาตมาก็อาตมาก็อยู่แบบอยู่แบบอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยแหละสมมากนะเก็บพรมเข้มหลายปนะีไม่ค่อยอยากจะมาออกข้างนอกหรอกนะเพราะว่า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 โทรัพเบอร์เดียวก็พอแล้วืันรรยาคนเดียวก็พอนไม่ต้องหลายคนปวดหัวอย่า้นก็ลูกก็เหมือนกันไม่ต้องมีหลายคนสําหรับคนที่ยังอคนที่มียังไม่มีลูกอนะไม่ต้องมีลูกเลยก็ดีฮะลูกมัน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 คือมันติดมันยึดอะไรเน่ยก็ดัดนิสัยตัวเองบ้างก่อนที่จะตามมาจะบวชเนี่ยโอ้คือเพื่อนชวนไปกินเหล้าชวนไปเที่ยวม่ไม่ไปหรอกกลับบ้านเรื่องงานกลับบ้านเรื่องงานกลับบ้านทำอยู่ปีหนึ่งน ะ, ะจนไอ้แฟนคนอยู่ด้วยนะภรรยาโอ้ยไปบวชเถอะไป <c oughs> <c oughs> คือคือ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 อ, อันนั้นก็งานแต่งก็จะไปงานบวชก็จะไปงานนั่นก็จะไปทำไมมีเราเขาก็ไม่เป็นงานเนี่ยเสร็จเลยแล้วเราก็ไปทุกงานเลยก็เลยไม่เป็นอิสระก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูนะลับไปบ้านแม่บ้านจะถามาไปปฏิบัติมาเจ็ดวันทำไมเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะต้องเปลี่ยนนะยาดวมนะ <c oughs> ต้องเปลี่ยน